ปัจจ尼กะโอกาฏ76อนุรูปประขัน์ในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปติเวทนาขันในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปประขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิกําลังเกิด77อนุเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่กําลังเกิด สัญญาขันในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่ำกชำลังเกิด Shirley. ใช่ไหมวิใช่ปจจนกะปุขโลกาฏ78อนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการะพูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขัน์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอาจัรย์ยศตะภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิดและเวทนาขันก็ไม่เคยเกิดปฏิ เวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังอุบัติในสุทธาวาสภาูมิและอาัญยสัตตภูม gs, ิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่รูปขันไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กาลังปรินิพานในสุทธาวาสภาูมิและบุคคลผู้กาลังจติจากอสัญยสัตตภูมิ เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและรูปขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดเจิบาอ น, นุเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหม <of suicide. S 1> วิบุคคลผู้กำลังจุติจากจตุโวการภูมิและปัญจวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กำลังเกิด แต่สัญญาขันไม่ใช่ไม่เคยเกิ ด, ดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัญญาขันก็ไม่เคยเกิดปฏิสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ บุคคลผู้กำลังอุบัต <to> ิในสุทาวาสภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานในสุทาวาสภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิด 5. ปัจจุปันนานาคตวาระ ว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล8ปสอนุรูปขันของบุคคลใดกำลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมรูปขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิด บุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและอสัญยะสัตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดและเวทนาขันก็จะเกิดปฏิเวทนาขันของบุคคลใดจกเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดแต่รูปขันไม่ใช Vin ่กําลังเกิด บุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจวโวกรภูมิและอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจกเกิดและรูปขันก็กําลังเกิดแปออนุเวทนาขันของบุคคลใดกําลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปา ช, ชิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกําลังเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จกเกิด บุคคลนอกนี้ผู้กำลังอุบัติในจัตโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดและสัญญาขันก็จะเกิดปฏิสัญญาขันของบุคคลใดจะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็กำลังเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุติและบุคคลผู้กำลังอุบัติในอสัญญสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจกเกิด แต่เวทนาขันไม่ใช่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังอุบัติในจัตุวการภูมิและปัญจวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นจะเกิดและเวทนาขันก็กำลังเกิดอนุโลมโอกาส82อนุรูปขันในภูมิใดกำลังเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิในอสัญญาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันกำลังเกิด แต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันกําลังเกิดและเวทนาขันก็จะเกิดปฏิเวทนาขันในภูมิใดจกเกิดรูปขันในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจะเกิดแต่รูปขันไม่ใช่กําลังเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจะเกิด และรูปขันก็กําลังเกิด8ปสอนุเวทนาขันในภูมิใดกําลังเกิดสัญญาขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันในภูมิใดจกเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็กําลังเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโลมะปุขโลกาฏปสิบสีอนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิด เวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกตะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้กําลังอุบัติในอสัญญาสัตตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดและเวทนาขันก็จะเกิด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 และรูปขันก็กําลังเกิดห้าสิบแอนุเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปาทิมภวิกระบุคคลผู้กําลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้กําลังอุบัติในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิ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 บุคคลผู้กำลังอุบัติในจัตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดและเวทนาขันก็กำลังเกิดปัจจนีกะบุคคลแปหอนุรูปขันของบุคคลใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กำลังจุตติและบุคคลผู้กำลังอุบัติในรูปภูมิ รูปขันของบุคคลเหล่าน ets, ั้นไม่ใช่กําล yes ังเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและปัดฉิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังเกิดใช่ไหมวิ ปัดฉิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดแต่รูปขัน์ไม่ใช่ไม่กําลังเกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิและปัดฉิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จะเกิดและรูปขันก็ไม่ใช่กําลังเกิดแปสิบเจอนุ เวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิบุคคลทั้งหมดผู้กําลังจุติและบุคคลผู้กําลังอุบัติในสัญญาัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดแต่สัญญาขันไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้กําลังปรินิพานเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังเกิดและสัญญาขันก็ไม่ใช่จกเกิดปฏิ สัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่จักเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจโวการภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใ yes ช่จักเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิด ปจเนกาโอกาส 88. อนุร no ูปขันในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิจกเกิดปฏิเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดรูปขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิกำลังเกิด89อนุเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิด S.> สัญญาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิใช่ปัจเจเนกะปุขโรกาต๙๐อนุรูปขัน์ของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิ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 และเวทนาขันก็ไม่ใช่จักเกิดปฏิเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จักเกิดรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปัจชิมภวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติในปัญจวโารภูมิและอสัญญสัตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่รูปขันไม่ใช่ไม่กาลังเกิด บุคคลผู้กำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิปชิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิและบุคคลผู้กำลังจุติจากอสัญญสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิดและรูปขันก็ไม่ใช่กำลังเกิด91อนุเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่กำลังเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จากเกิดใช่ไหมวิ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 เวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่กำลังเกิดใช่ไหมวิปชิมพวิกะบุคคลผู้กำลังอุบัติสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่กำลังเกิดบุคคลผู้กำลังปรินิพานและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จักเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่กำลังเกิดหก อตีตาเนคตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นอดีตและที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคล92อนุรูปประคันของบุคคลใดเือเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัดฉิมภวิกะบุคคลรูปขระคันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ รูปขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและเวทนาขันก็จะเกิดปฏิเวทนาขันของบุคคลใดจกเกิดรูปขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่9๓อนุเวทนาขันของบุคคลใดเคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิด แต่สัญญาขันไม่ใช่จกเกิดบุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยเกิดและสัญญาขันก็จะเกิดปฏิสัญญาขันของบุคคลใดจกเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุโลมโอกาส94อนุรูปขันในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิ ในอสัญยาสัตตภูมิในภูมินั้นรูปขันเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จกเกิดในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันเคยเกิดและเวทนาขันก็จะเกิดปฏิเวทนาขันในภูมิใดจกเกิดรูปขันในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิในอรูปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจกเกิดแต่รูปขันไม่เคยเกิด ในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันจะเกิดและรูปขันก็เคยเกิด95อนุเวทนาขันในภูมิใดเคยเกิดสัญญาขันในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญาขันในภูมิใดจกเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่อนุรวมปุคโลกาฏ96อนุ รูปขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกละบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จะเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด และเวทนาขันก the ็จะเกิดปฏิเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดจกเกิดรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจะเกิดแต่รูปขันไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจกเกิดและรูปขันก็เคยเกิด เกอนุเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยเกิดสัญญาขนันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จะเกิดใช่ไหมไวิปาชิมภวิกะบุคคลเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิดแต่สัญญาขนันไม่ใช่จักเกิดบุคคลนอกนี้ผู้อุบัติอยู่ในจตุโวการภูมิและปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยเกิด และสัญญาขันก็จะเกิดปฏิสัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดจะเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยเกิดใช่ไหมวิใช่ปัจจนีกะบุคคล98อนุรูปขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิไม่มีปฏิเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิด รูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิด99อนุเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่จกเกิดมีไหมวิไม่มีปฏิสัญญาขันของบุคคลใดไม่ใช่จกเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดปัจจนกาโอกาส100 อนุ rum, รูปประคันในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิจกเกิดปฏิเวทนาขันในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดรูปประคันในภูม de ิน Fo so ั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิเคยเกิดร้อหนึ่งอนุเวทนาขันในภูมิใดไม่เคยเกิดสัญญาขันในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิสัญญา ปั จ, จเนิกะปุคโลกาต์ร้อสอนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จักเกิดใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิรูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่เกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและปัจฉิมภวิกะบุคคลในรูปภูมิ รูปขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยเกิดและเวทนาขันก็ไม่ใช่จากเกิดปติเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จากเกิดรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิประชิมภวิกะบุคคลในปัญจโวการภูมิและบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จากเกิด แต่รูปขันมิใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุดท้าว่าจะภูมิและปัจฉิมภวิกะบุคคลในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดและรูปขันก็ไม่เคยเกิดร้อยสามอนุเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยเกิดสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่ใช่จกเกิดใช่ไหมวิใช่ปฏิ สัญญาขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่ใช่จกเกิดเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยเกิดใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่ใช่จกเกิดแต่เวทนาขันไม่ใช่ไม่เคยเกิดบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทธาวาสภูมิและอสัญญสัตตภูมิสัญญาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมิน <ac ad Ale aya> ัญญ sal ้นไม่ใช่จกเกิดและเวทนาขันก็ไม่เคยเกิด อุปาทวาระจบสองปวติวาระสองนิโรทวาระหนึ่งปัจจุปันนวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันอนุโลมบุคคล ร้อยสี่อนุรูปขันธ์ของบุคคลใดกำลังดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กำลังจุติจากอาศัยสัตตพูมรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่เวทนาขันธ์ไม่ใช่กำลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวกรพูมรูปขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นกาลังดับและเวทนาขันธ์ก็กำลังดับปฏิ เวทนาขันของบุคคลใดกำลังดับรูปข enfin> ันของบุคคลนั้นก็กาลังด <|so|> ับใช่ไหมวิบ uh ุคคลผู้กำลัง huh จุติจากรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับแต่รูปขันไม่ใช่กาลังดับบุคคลผู้กำลังจุติจากปัญจโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นกำลังดับและรูปขันก็กาลังดับอนุโลมะโอกาสร้อยห้าอนุ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 ในอรู ป, ปภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์กำลังดับแต่รู ป, ปขันธ์ไม่ใช่กำลังดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นเวทนาขันธ์กำลังดับและรู ป, ปขันธ์ก็กาลังดับอนุโลมปุกคโลกาศร้อยหกอนุรูปขันธ์ของบุคคลใดในภูมิใดกำลังดับเวทนาขันธ์ของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็กำลังดับใช่ไหมวิ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 บุคคลผู้กําลังจุติจากอรูปภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับแต่รูปขันธ์ไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิเวทนาขันธ์ของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นกําลังดับและรูปขันธ์ก็กําลังดับปัจจเนกาบุคคลร้อยเจอนุรูปขันธ์ของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับ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 รูปประคันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม no ่ใช่กําลังดับแต่รูปประคันไม่ใช่ไม่กําลังดับบุคคลทั้งหมดผู้กําลังอุบัติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่กําลังดับและรูปประคันก็ไม่ใช่กําลังดับปจณิกาโอกาสร้อยแปดอนุ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 ว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลร้อสอนุรูปขันของบุคคลใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิเวทนาขันของบุคคลใดเคยดับรูปขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่อนุโลมโอกาสร้ออนุรูปขันในภูมิใดเคยดับ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 ในปัญจโวกรภูมิในภูมินั้นเวทนาขันเคยดับและรูปขันก็เคยดับอนุโลมมะปุกโคลกาสิบสอนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดเคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญสัตตภูมิรูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นเคยดับแต่เวทนาขันไม่เคยดับ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 เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปขันก็เคยดับปัจจเนกะบุคคลร้อยสิบสาอนุรูปขันของบุคคลใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มีปฏิเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยดับรูปขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับมีไหมวิไม่มีปัจจเนกโอกาส ร้ออนุรูปขัน์ในภูมิใดไม่เคยดับเวทนาขันในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปฏิเวทนาขันในภูมิใดไม่เคยดับรูปขันในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปัจจีนกะปุคโลการ้อสิหอนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหม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 บุคคลผู้อุบัติอยู่ในอสัญญาสัตตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับแต่รูปขันไม่ใช่ไม่เคยดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในสุทาวาสภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นไม่เคยดับและรูปขันก็ไม่เคยดับสอนาคตะวาระว่าด้วยสภาวธรรมที่เป็นอนาคตอนุโลมบุคคลร้อยสิหอนุ รูปขันของบุคคลใดจักดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิใช่ปฏิเวทนาขันของบุคคลใดจักดับรูปขันของบุคคลนั้นก็จักดับใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปประภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปประภูมิแล้วป e รินิพานกําลังจุติเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปขันไม่ใช่จักดับ บุคคลนอกนี้เวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นจักดับและรูปขันก็จักดับอนุโลมโอกาตร้อสิบเจอนุรูปขันในภูมิใดจักดับเวทนาขันในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิในอสัญญาสัตต ภ, ภูมิในภูมินั้นรูปขันจักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักดับในปัญจโวการภูมิในภูมินั้นรูปขันจักดับและเวทนาขันก็จักดับปฏิ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 รูปขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็จักดับใช่ไหมวิบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับแต่รูปขันไม่ใช่จักดับบุคคลผู้อุบัติอยู่ในปัญจะโวการภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นในภูมินั้นจักดับและรูปขันก็จักดับปัจจเนกะบุคคล1้ออนุรูปขันของบุคคลใดไม่ใช่จักดับ เวทนาขันของบุคคล น, นั้นก็ไม่ใช่จักดับใช่ไหมวิปัจฉิมภวิกะบุคคลผู้กําลังอุบัติในรูปภูมิและบุคคลเหล่าใดจักอุบัติในรูปภูมิแล้วปรินิพานกําลังจุติรูปประขัน์ของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับแต่เวทนาขันไม่ใช่จักไม่ดับบุคคลผู้กําลังปรินิพานรูปประขันของบุคคลเหล่านั้นไม่ใช่จักดับและเวทนาขันก็ไม่ใช่จักดั บ, บคคปฏิ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 และรูปขันก็ไม่ใช่จักดับสปัจจุปันนาตีตะวาระว่าด้วยสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันและที่เป็นอดีตอนุโลมบุคคลร้อยี่สิบสองอนุรูปขันของบุคคลใดกําลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหมวิใช่ปฏิเวทนาขันของบุคคลใดเคยดับรูปขันของบุคคลนั้นก็กําลังดับใช่ไหม วิบุคคนทั้งหมดผู้กําลังอุบัติและบุคคลผู้กําลังจุติจากอรูปภูมิเวทนาขันของบุคคนเหล่านั้นเคยดับแต่รูปภูขันไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจโวการภูมิและอสัญญาสัตภูมิเวทนาขันของบุคคลเหล่านั้นเคยดับและรูปภูขันก็กําลังดับร้ออนุเวทนาขันของบุคคลใดกําลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นก็เคยดับใช่ไหม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 และเวทนาขันก็กำลังดับอนุโลมะโอการ้อยยี่สิบสี่อนุรูปขันในภูมิใดกำลังดับเวทนาขันในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิในอสัญญสัตตภูมิในภูมินั้นรูปประขันกำลังดับแต่เวทนาขันผู้ไม่เคยดับในปัญจะโวการะภูมิในภูมินั้นรูปขันกำลังดั บ, แ, ด บ, ลดบและเวทนาขันก็เคยดับปฏิ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 ปฏิสัญญาขันในภูมิใดเคยดับเวทนาขันในภูมินั้นก็กําลังดับใช่ไหมวิใช่อนุโลมปุคโคลกาศร้ออนุรูปขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิบุคคลผู้กําลังปรินิพานในสุทธาวาสภูมิและบุคคลผู้กําลังจุติจากอสัญญสัตภูมิ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 และบุคคลผู้อุบัติอยู่ในอรูปภูมิเวทนาขันของบุ ER นนนคบลบบ ER ค ล, ลขข ER เหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับแต่รูปขันไม่ใช่กําลังดับบุคคลผู้กําลังจุติจากปัญจะโวกาละภูมิเวทนาขันของบุ ER คคลเหล่านั้นในภูมินั้นเคยดับและรูปขันก็กําลังดับร้อยี่สิบเจ็ดอนุเวทนาขันของบุคคลใดในภูมิใดกําลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นในภูมินั้นก็เคยดับใช่ไหมวิ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 ร้ 128. ออนุรูปประคันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับปฏิเวทนาขันของบุคคลใดไม่เคยดับรูปประคันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กําลังดับมีไหมวิไม่มีร้อยยี่ิบเอนุเวทนาขันของบุคคลใดไม่ใช่กําลังดับสัญญาขันของบุคคลนั้นก็ไม่เคยดับใช่ไหมวิเคยดับ ปิสัญญาขันของบุคคลใดไม่เคยดับเวทนาขันของบุคคลนั้นก็ไม่ใช่กำลังดับมีไหมวิไม่มีปัจเนกะโอการ้อยสามสิบรูปขันในภูมิใดไม่ใช่กำลังดับข้อที่ท่านกล่าวไว้ว่าในภูมิใดพึงทำให้บริบูรณ์